หมายเหตุผู้อ่านขอเสริมสักนิดนะครับเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญมากการศึกษาพระไตรปิฎกนั้นต้องเข้าใจว่าส่วนไหนเป็นคําสอนแท้จริงส่วนไหนเป็นการขยายความจากผู้รู้ในรุ่นหลังและส่วนไหนเป็นการบรรยายเพื่อให้เห็นภาพและที่สำคัญที่สุดก็คือส่วนไหนเป็นสำนวนการแปลจากภาษามาคตมาสู่ภาษาไทย หลายประโยคนะครับที่เป็นสำนวนซึ่งมีความหมายเป็นอีกอย่างแต่เมื่อแปลตามศัพท์ก็จะได้คำที่มีความหมายในภาษาไทายอีกอย่างหนึ่งดังนั้นจึงต้องศึกษาและทำความเข้าใจให้ถูกต้องด้วยนะครับที่ยกตัวอย่างบ่อยมากที่สุดก็เช่นโจร500รอนะครับเรื่องจำนวนปีจำนวนคนจำนวนตัวเลขความไกลความกว้างต่างๆนั้นขอให้เข้าใจว่าส่วนหนึ่งเป็นการประมาณการ ให้เข้าใจได้โดยง่ายถ้าเข้าใจคำว่าโจรห้าร้อยไม่ได้หมายถึงโจรห้าร้อยคนแต่อาจจะมีแค่คนเดียวแต่เป็นโจรที่ชั่วช้าเป็นโจรที่เก่งกาจเป็นโจรที่มีประสบการณ์มามาก<ๆ>ก็จะเข้าใจได้โดยง่ายว่าสานวนตัวเลขหลายส่วนก็ไม่ต่างกับคำว่าโจรห้าร้อยนะครับในเรื่องของศาสนาจะอยู่ได้ 5,000 ันปีก็เช่นเดียวกันให้ตรวจสอบให้ดีนะครับว่า เป็นเนชั้นอธิบายของอัธกถาเป็นการอธิบายความที่หลังหรือเปล่าและต่อให้เป็นคำตรัสจริงก็ต้องเข้าใจด้วยว่าพุทธวจนะที่ทรงตรัสนั้นเป็นพุทธวจนะจริงแต่การจดจำสืบต่อ น, นั้นท่านเรียบเรียงใหม่นะครับโดยการประพันธ์ให้เป็นบทสวดใช้คำที่ไพเราะตามภาษามคตร้อยเรียงกันใ้ท่องจาได้โดยง่ายมีการบรรยายพร น, นาความไม่เห็นภาพซึ่งบางครั้ง ก็ไม่ใช่สาระสำคัญอะไรนะครับแต่จุดมุ่งหมายท่านใช้เป็นสื่อการสอนที่ต้องการสอนคนในยุคนั้นให้เข้าใจได้โดยง่ายถ้าปฏิบัติธรรมถึงกันจริงก็คงแยกได้ไม่ยากนะครับว่าอันไหนเป็นคําสอนแท้อันไหนเป็นการบรรยายภาพอันไหนเป็นสื่อการสอนเท่านั้นในเรื่องของศาสนาจะเสื่อมครบพันปี 2, ปี 3,000 ปีจะเกิดอะไรนั้น อยากให้พึงระลึกว่าตัวเลขเหล่านี้อาจจะเป็นแค่สำนวนโดยประมาณการก็ได้นะครับซึ่งจะทำให้ปัญหาของการสงสัยหมดไปไม่อย่างให้ไปปักใจเชื่อว่า 2,000 ปีแล้วจะไม่มีพระอระหันต์ 3,000 ปีแล้วจะไม่เกิดคนดีเรื่องพวกนี้ฟังได้นะครับแต่จะเชื่อก็ต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยเพราะว่าถ้าเรื่องนี้เป็นจริงก็จะไปขัดแย้งกับพุทธวจนะที่ว่า เมื่อบุคคลได้เจริญได้กระทําให้มากซึ่งสติปทานสี่พระสัตทธรรมจึงจะตั้งอยู่ได้นานในเมื่อตถาคตปรินิพานแล้วและอีกพุทธวจนะจากมหาปรินิพาน์นสูตรตรัสว่าหากประพฤติ ธ, ธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมอยู่ตราบใดมรรคนิพานก็คงมีอยู่ตราบนั้น สำหรับเรื่องการเสื่อมสิ้นของพระศาสนานั้นความจริงก็เป็นไปตามหลักธรรมนะครับว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงแต่ถ้าไปปักใจว่าพันปีแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นสองพันปีจะต้องเป็นอย่างนั้นพระอระหันต์ไม่มีแล้วผู้บรรลุธรรมไม่มีแล้วแบบนี้ผมว่าเสียหายมากกว่าจะเกิดผลดีนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจว่าเป็นสํานวนเป็นการเปรียบเปยโดยประมาณ เป็นการเล่าเรื่องเพื่อให้คนมีความเพียรรีบเร่งศึกษาปฏิบัติให้รีบบรรลุ ธ, ธรรมไปซะให้พ้นไปจากการเว้นไห้ตายเกิดให้เห็นภัยของวัฏสงสารว่าแม้คำสอนศาสนาที่ดีขนาดนี้ก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานและการที่จะเกิดเป็นมนุษย์พพระพุทธศาสนาและเกิดศรัทธาศึกษาปฏิบัติอย่างจริงจังได้ถูกต้องนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากจึงควรรีบขวนขวายแต่ บ, บัดนี้ ถ้าคิดในแบบนี้ก็จะเกิดประโยชน์ได้สูงสุดนะครับแต่ถ้าพากันเชื่อว่าอารหันต์ไม่มีแล้วผู้บรรลุธรรมไม่มีแล้วใจก็คงฟอ่อหมดแล้วก็เลิกล้มที่จะคิดรีบเร่งปฏิบัติเพื่อให้ตนบรรลุในชาตินี้คำสอนในพระไตรปิฎกหลายส่วนจำเป็นจะต้องเข้าใจในเชิงลึกของที่มาที่ไปโดยเฉพาะในแง่ของการเผยแผ่เผยแร่ ในแง่ของสื่อการสอนในแง่ของการบรรยายขยายความด้วยนะครับว่าท่านทำเพื่ออะไรประสงค์อะไรต้องดูจุดประสงค์ของพุทธวจนะหรือคาสอนหรือพระสูตรนั้นๆแม้แต่อัรถกถา น, นะครับก็ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายของท่านด้วยถ้าไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นเชื่อแบบงมงายหรือไม่ก็ปฏิเสธสุดตรงไม่ยอมเชื่อไปเลย ขอฝากทิ้งท้ายกับคำสอนของพระพุทธองค์ไว้นะครับว่าตราบใดที่เรายังไม่บรรลุอรหันต์ยังไม่เข้าสู่กระแสพระนิพพานได้จริงก็อย่ามั่นใจว่าสิ่งที่รู้ธรรมะที่รู้ที่ได้นั้นเป็นของจริงของแท้แล้วจึงควรเผื่อใจไว้รับข้อมูลใหม่ๆและศึกษาปฏิบัติโดยเทียบเคียงทั้งสามปิดกด้วยนะครับว่าไม่ขัดแย้งกัน ทั้งหมดทั้งมวล น, นี้ส่งสอนไว้ครบถ้วนแล้วนะครับแต่เนื่องจากคำภีทางพระศาสนานั้นทั้งมีเนื้อหาจำนวนมากมีความลึกซึ้งลุ่มลึกและค่อนข้างยากสำหรับคนทั่วไปแถมยังต้องแปลาจากภาษาอื่นมาเป็นภาษาไทยซึ่งปัจจุบันก็ยังแปลได้ไม่สมบูรณ์นะครับและในความเป็นจริงธรรมะนั้นคาบางคาจะแปลได้ยากมากถ้าไม่ทับศัพท์ และผู้ที่เข้าใจได้จริงก็ต้องปฏิบัติให้ถึงจุดนั้นด้วยจึงเป็นเรื่องของความยากในความยากคนทั่วไปเลยสแสวงหาเรื่องง่ายๆเอาธรรมะแค่ผิวเผินและที่สุดก็ถูกหลอกด้วยคำสอนของศาสนาอื่นที่แทรกเข้ามาเป็นลัธิพิธีงมงายต่างๆจนไม่รู้ว่าอีกกี่แสนชาติจะได้บรรลุธรรมได้เข้าถึงความจริงอันเป็นแก่นแท้ของพระศาสนาได้สักทีนะครับ การเป็นผหูสูรศึกษาให้มากฟังให้มากเปิดใจอย่าใช้อคติตัวเองความเชื่อเดิมตัวเองตัดสินข้อมูลทั้งหมดก่อนและภาพเพียงปฏิบัติให้ถึงจุดเท่านั้นนะครับถึงจะพาเราพ้นทุกข์และเข้าถึงธรรมกันได้จริง